เรื่องที่16หเลี้ยงลูกให้เก่งดีมีความสุขพูดคุยกับพระนวิกะในพรนษา26ตุลาคมพุทธศักราช2553 ดีผมแต่งงานแล้วมีครอบครัวมีบุตรชายแล้วก็อยากจะถามเกี่ยวกับหลักการเลี้ยงลูกครับว่ายเอียดการเลี้ยงลูกได้เคยอ่านหนังสือของพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าให้ใช้ผมวิหารสีแล้วก็ให้ใช้ทินงีย์กสังวรตาดูหูฟังเป็นทันนี้อยากจะได้รายละเอียด ให้เขาเป็นทั้งคนดีด้วยแล้วก็คนเก่งด้วยแล้วก็มีความสุขมีความสุขเป็นคนดีเป็นคนเก่งมีความสุขแล้วก็อยากได้ในภาคปฏิบัติด้วยครับอยากให้พระเจ้าปตุหลวงว่ายกตัวอย่างเหมือนกับตัวอย่างจริงให<อ>้ให้ให้ใหใหทำ น, นองนี้ครับอ๋อข้อที่สองก็เ <laughs> นื่องจากเนื่องจากอย่างบิดามารดา ภรรยาของเราเองแล้วก็บุตรชายก็เป็นที่รักของเราก็อยากอยากจะถามว่าอย่างจะเกิดเกิดชาติหน้าเนี่ยจะทํำยังไงให้เกิดมาเป็น <c oughs> เป็นลูกเราอีกแล้วก็เป็นภรรยาเราอีกแล้วเราได้เป็นลูกของพ่อแม่อีกอย่างเนี้ยโอนี่แสดงว่าปฏิบัติธรรมมาดีทําให้ชีวิตครอบครัวดีโมทนาด้วย เนี่ยก็หายากนะครอบครัวที่ดีอย่างเงี้ยเป็นครอบครัวตัวอย่างนะในพระไตรปิฎกก็เป็นที่ยกย่องนีที่สามีพัญญาหวังจะพบกันทุกชาติไปนีใครรู้บ้างเป็นอาเียาสาวกสําคัญเลยนะสามีพัญญาคู่นักุลบิดานั่นแหละปรารถนาจะพบกันทุกชาติไป อ้าวสองคำถามท่านต้องคอยทวงนะครับเพื่อผมตอบออกนอกลูก่นอกทางไป อ, อันที่หนึ่งก็คือธรรมะในการปฏิบัติต่ตอบุ ธ, ธิดาที่ท่านพูดมาเนี่ยเท่ากับสองชุดชุดแรกนี่พรมิหารนี่เป็นเรื่องของฝ่ายตัวเองพ่อแม่เป็นผู้ปฏิบัติต่ตอลูกส่วนอิียาสังวรนั่นหมายถึงว่าข้อปฏิบัติ ของลูกที่เราจะให้เขาเจริญงอกงามหมายความว่าการพัฒนาของเด็กจะเจริญยังไงให้เจริญโดยทำอย่างนี้ได้ทำนี้ได้นะเป็นสิ่งที่เขาจะพึงปฏิบัติเอาชุดแรกก็เป็นว่าพรหมวิหารเราปฏิบัติต่ตอเขาอันนี้ก็คงไม่ต้องพูดมากเพราะท่านอ่านมาแล้วเนี่ยผมก็เป็นเน้นเข้ออาเบกขาที่เน้นเพราะว่าคนไทยเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติผิด อย่างที่ว่าเป็นเฉยโง่ไปซะเนี่ยอัญญานุเบกขานี่ยเบกขาเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากท่านจึงไปวางคอท้ายเพราะเป็นจุดบรรจบ ก, กับปัญญาบอกเมื่อกี้แล้วบอกปัญญาเป็นตัวคุมองเอาละชุดนี้ไม่เห็นมีปัญญาเลยนั่นท่านดูให้เป็นมันอยู่ในข้ อ, อเบกขานั่นแหละปัญญาไปคุมอยู่ในอุเบกขานั่น แต่ว่าพรหมวิหารนี่ท่านเน้นด้านจิตใจท่านจึงไม่เอาปัญญาออกมาแสดงเพราะอุเบกขามันก็เป็นสภาพจิตไม่ใช่ตัวปัญญาแต่ว่าปัญญามาทำให้อุเบกขาเกิดจิตจะเป็นอุเบกขาได้เพราะปัญญานี่ท่านเอาไอ้ตัวผลด้านจิตใจที่มาจากปัญญาเนะี่ยมาวางเป็นข้อสี่ของพรหมวิหารแต่อ้ตัวแกนของมันนะอยู่ที่ปัญญา นั้นพอพูดถึงอุเบกขาปั๊บให้เรานึกไปถึงปัญญาทันทีท่านต่างนึกเอง น, นะเอาไปว่าพอนึกถึงอุเบกขาปั๊บให้ปัญญามาปุ๊บเออให้มาด้วยกันก็ น, นึกถึงเมื่อนั้นมันจะเป็นอัญญาอุเบกขาเป็นเฉยโง่ไปทีนี้บอกแล้วว่าอุเบกขาเป็นตัวเน้นตัวคุมคุมกระบวนให้ไปถูกต้องถ้าท่านมีแค่เมตตากรุณามุ้ทิตาเนี่ย ดีจริงๆแต่ดีเลยเถิดเสียเลยนีดีเกินไปก็เสียเนี่ยพอทางด้านจิตใจนี่มันมันดีไปก็เสียได้นั้นจึงต้องมีข้อเบิกขาที่ว่าเสียเอาท่านรู้อยู่แล้วนี่เมตตาก็รักนิยาเป็นปกติเขาอยู่เป็นปกติแล้วก็รักวาถนาเขาเป็นสุขก็ดูแล อยู่ทุกอย่างทุกประการและกรุณายามองเขาตกต่ำลงไปมีทุกเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรแก้ปัญหาเขานะีแล้วกมุติตาเขาเจะเลยก้าวหน้าก็ส่งเสริมให้เจริญ ง, งอกงามยิ่งขึ้นไปนั่นก็ชัดอยู่แล้วแต่ทีนี้อย่างที่ว่าเมตตากรุณามุติตาเบกขาเนี่ยมันด้านความรู้สึกบางทีไม่ได้ใช้ปัญญาก็อาจจะสุดโต่เช่นอย่างรรักลูกตามใจลูก โอ้ oh, ลูกเกินไปเอาแต่ใจลูกจนกระทั่งว่าเด็กเนี่ยเสียคนก็มีบางรายนี่เอาใจลูกจนเสียคนก็มีใช่ไม mm. คือลูกจะกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักรักคนอื่นเอาแต่ใจตัวเองเป็นฝ่ายเรียกร้อง mm. คือเมตตาเนี่ยท่านมีเพื่อเป็นแบบอย่างให้กันลูกด้วย mm. นอกจากว่าเป็นการที่เราจะปรมบํารุงดูแลเขาดีแล้วก็มันเป็น คุณธรรมที่แผ่ไปคือคนเราเนี่ยมันตามอย่างลูกก็จะตามพ่อแม่อยู่เลยพอพ่อแม่มีความรักอย่างเงี้ยเด็กก็มองในแง่กว้างก็คือคนต่อคนพ่อต่อลูกลูกต่อพ่อก็คนต่อคนนี่ก็พ่อก็เป็นตัวแทนของมนุษย์ผู้ชายในโลกนี้แม่ก็เป็นตัวแทนเขาผู้นุษย์ผู้หญิงในโลกนี้อันนี้ถ้ามองในแง่นี้นะก็คือในเวลาเดียวกันที่มีความรู้สึกต่อพ่อนั่นก็ หมายถึงต่อผู้ชายด้วยนี่ความรู้สึกที่เมตตารักเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะมีแก่คนอื่นได้ด้วยเขาจะรู้สึกว่ารู้สึกว่าความรักมันเป็นยังไงเข้าใจแล้วก็จะมีต่อผู้อื่นได้นั่นก็เลยว่าการมีเมตตากรุณามุติตาเนี่ยมันเป็นคุณธรรมที่แพ่และก็เป็นตัวอยา่างเป็นแบบอย่างถ่ายทอดแก่กันให้ถึงลูกลูกก็จะมีจิตใจที่พร้อมที่จะมีเมตตากรุณามุติตา แต่ทั้งนี้พ่อต้องมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาไอ้ตัวสามอันเนี่ยมันอาจจะขุยอย่างที่ว่าพอตามใจลูกมากไปแกไม่นึกในแง่นั้นแล้วแกจะรอให้พ่อแม่เอามาให้แล้วทีนี้หนึ่งเอามาให้สองทำให้ถ้าเป็นของวัตถุ ก, ก็เอามาให้ถ้าเป็นการกระทำงานการแกก็ไม่ทำให้พ่อแม่ทำให้นี่ พอไปไปมามาแก่ไม่เป็นนึกในแง่เมตตากรุณาคนอื่นแล้วแกนึกจะเอาอย่างเดียวแล้วต้องตามใจแก่แก่ก็เป็นนักเรียกร้องต่อไปแกไปไหนแกก็เป็นมิตรกระขายไม่คดได้เป็นคนที่จะเอาแต่ใจตัวเองแล้วเอาใจตัวเองอย่างเดียวใครขัดใจไม่ได้ใช่ไหมนี่ยุ่งเลยนั่นก็เลยท่านให้มีอยู่เบกขาคุมบอกถ้ามันจะเกินควรมันไม่พอดีมันจะผิดมันจะพลาด ต้องหยุดนะแต่ที่มันใช้มากก็คือใช้ในการพัฒนาเด็กอุเบกขาอุเบกขาก็อยู่ที่จะใช้คาไทยก็คือเรื่องความรับผิดชอบหนึ่งเด็กต้องหัดรับผิดชอบตัวเองอ้าวเป็นมนุษย์มีชีวิตอยู่พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยตลอดชีวิตจะไปช่วยคือทำให้เขาได้ยังไงไปเป็นไปไม่ได้เราก็มาช่วยเลี้ยงคือเลี้ยงคือให้เขาทำไปเป็น เลี้ยงให้เขาเดินนี่ยังเลี้ยงตัวอยู่ก็คือยังเดินไม่เป็นเลี้ยงตัวจนกระทั่งเดินเป็นใช่ไหมเราเลี้ยงนี่ก็เพื่อให้เขาทําเป็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นจุดหมายไม่ได้จบมืงง่อไต้องเลี้ยงกันไปตลอดชีวิตเลี้ยงเพื่อให้เขาทําได้เองใช่ไหมอ่าก็เลี้ยงก็ตอนนี้ก็คือหน้าที่ของเราก็คือเตรียมให้เขาทํา เองข้อสําคัญก็คือเขารับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้แล้วก็จะเลยก้าวหน้าได้พร้อมที่จะพัฒนาชีวิตนําชีวิตของตัวเองไปได้ดีไม่ใช่แค่รับผิดชอบได้นําไปได้ตอนนี้แหละครับก็คือขั้นที่หนึ่งอุเบกขาก็จะมาฝึกลูกให้หัดรับผิดชอบตัวเองนําชีวิตของตัวเองไปให้ได้สองก็เนสองก็คือ ในยามที่เขาต้องรับผิดชอบตัวเองในปัจจุบันเขามีกฎกติกาในครอบครัวหรือมีความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างลูกต่อลูกพี่กับ น, น้องเป็นตน้นซึ่งต้องการความเป็นธรรมความยุติธรรมเขาจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของเขาที่ผิดหรือถูกอันนี้พ่อแม่ก็หัดเช่นมีกติกาในครอบครัวใครจะต้องทาอะไรทาผิดพลาดแล้วจะตกลงกันจะทำยังไงใช่ ก็ให้เขารับผิดชอบนี่ก็รับผิดชอบต่อธรรมอันที่หนึ่งก็รับผิดชอบชีวิตเขาก็รับผิดชอบต่อธรรมนแหละคือความถูกต้องที่ควรจะเป็นแล้วก็สมก็คือถึงเวลาที่เขารับผิดชอบตัวเองได้ควรจะรับผิดชอบตัวเองหยุดนะใช่ไหลูกแต่งงานมีครอบครัวมีการงานทำตัวเองแล้วพ่อแม่จะไปยุ่มยามก้าวไก่แทรกแซงในครอบครัวเขานี่เรียกว่าอุเบกขา เอาละครับสามอันนี้สําคัญเป็นจุดคขาเบการกนะหนึ่งขั้นต้นนี่สาคัญก็คือตอนเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงให้เขาเป็นแหละนะก็คือฝึกให้เขารับผิดชอบตัวเองได้นําชีวิตได้แล้วก็พร้อมกันนะปัจจุบันต่อละเวลาที่เป็นไปก็คือเขาต้องรับผิดชอบในการกระทาของเขาแล้ก็สามในข้างหน้า mm. เมื่อเขาพร้อมรับผิดชอบตัวเองได้ก็จะไปก้าวไกลแทรกแซงนี่ ตอนที่หัดให้เขารับผิดชอบตัวเองได้เนี่ยก็อยู่ที่ปัญญาของพ่อแม่ซึ่งต้องใช้อยู่แล้วถ้าพ่อแม่ไม่มีอุเบกขาลูกก็ทําอะไรไม่เป็นกินข้าวยังไม่เป็นเลยตอนลูกกินข้าวเนี่ยสังเกตหมว่าพ่อแม่ก็ต้องมีเบกขาคือเคยป้อนป้อ น, ป, อนป้อนทุกวันวันนี้จะให้เขากินเองก็ต้องหยุดแน่ๆเบกขาก็คือวางเฉยใช่ไหมนิ่งให้เขา หยิบช้อนหรือว่ายกช้อนใส่ปากเองถ้าพ่อแม่ยังเอาช้อนใส่ปากให้เขาพ่อแม่ก็ขาดอุเบกขาและถ้าพ่อแม่เอาช้อนใส่ปากให้ลูกป้อนอย่างนั้นทุกวันลูกจะกินเป็นไหมที่ลูกกินเป็นมานได้เพราะพ่อแม่มีอุเบกขาถูกไหมดังนั้นนี่เป็นตัวตัดสินความเจริญงอกงาม ที่เด็กจเจริญมาเนี่ยพัฒนามาเราไม่ใช่มีแต่เมตตากรุณามุติตาอุเบกขาตลอดเลยเป็นแต่เพียงไม่ได้สังเกตตอนที่เขาจะเป็นนต้องอุเบกขาทั้งนั้นแหละนยเด็กตั้งไขหัดเดินอุเบกขาไหมเราไม่อุเบกขาอุ้มตลอดทีพอแกไปเดินแล้วก็อู้เดียวลมอุ้มและเดกเด็กเดินได้ไหมต้องอุเบกขา บางทีต้องยอมให้เขาล้มบ้างแต่เราดูเราไม่ได้ทิ้งอันนั้นอุเบกขาท่านจึงแปลว่าดูอยู่ไกลๆไม่ได้ทิ้งเลยอุเบกขาไม่ได้ทิ้งอุเบกขาท่านบอกมาจากฉันทะใ น, นแง่ว่าปราถนาให้เขาอยู่ในความถูกต้องสมควรความชอบธรรมอันนั้นคือแก่นของอุเบกขาความต้องการให้เขาอยู่ในความสมควรในความถูกต้อง ในความเป็นเหตุเป็นผลรวมแล้วคืออยู่ในธรรมนั่นเอง <c oughs> น, นีก็จึงอุเบกขาเขาไปเมตตากรุณามุติตาบุติเอียงหมดเลยในสถานะที่ไม่ถูกต้องอันนี้พอเขาดูนข้าวที่แล้วก็ต้องเอาเบกขาใช้เพราะนั้นอุเบกขานี่เป็นตัวที่คุมกระวนหมดเลยเลี้ยงดูกตั้งแต่เล็กไปก็จงใช้อุเบกขาเขาจึงโตได้ทีนี้ พ่อแม่ที่ใช้เบี้ขาได้แค่นี้ก็ลูกก็พอโตได้แต่นี้ถ้าพ่อแม่เก่งกว่า น, นี้ก็คือเออมองการไกลแหละทีนี้ปัญญาใหมา่ปัญญาไม่ใช่แค่คันเฉพาะนะ้ะปัญญามองระยะยาวว่าเออลูกเราจะต้องไปเผชิญชีวิตดีต่ยตนเองพ่อแม่จะอยู่เขาไม่อีกกี่ปีก็ไม่รู้นะต่อจากนั้นเขาจะต้อง เดินไปในโลกกว้างรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้แต่เขาจะต้องเก่งต้องมีความสามารถทำยังไงดีควรจะทำอะไรเป็นบ้างเอาและคิดเลยเนี่ยพ่อแม่ต้องใช้ปัญญาลูกเราเราอยากให้เก่งทางไหนอยากให้ทำอะไรเป็นบ้างเตรียมหัดเลยตอนนี้หละครับบทบาทของอุเบกขามาเยอะเมตตากรุณาเมตตานี่เอามาให้ ทำให้เออเขาทําไม่เป็นสักทีทําให้ทําให้ตอ ท, ทีนี้ดูให้เขาทำแหละนะอุเบกขาก็คือดูอุเบกขาว่าดูอยู่ใกล้ๆคอยดูดูให้เขาทําตอนนี้แหละลูกเก่งเพราะไม่มีคนดูให้เขาทําเขาก็ทําไม่เป็นเออทําให้เขาเขาก็ไม่เป็นทําให้ก็ไม่เป็นเะนี่ยไม่ดูให้เขาทําก็ทําไม่เป็นนี้ได้หมดดูให้เขาทําคราวนี้แหละทั้งทําทั้งเป็นใช่ไหม นี้ท่านก็เอาติดนึกติครับลูกเรานี่ควรจะหัดเรื่องอะไรควรจะทําอะไรเป็นเออตอนนี้มันอยู่ในระยะนี้แล้วโลกเขาเป็นอย่างนี้สถานการณ์อย่างงี้ควรจะเข้าใจอะไรทําอะไรได้อะไรเนี้นะเตรียมนั่นเองแหละนะฮะฝึกเลยตอนนี้ฝึกลูกได้พัฒนาเต็มทีก็มีเรื่องอะไรก็มาคุยกันลูกเอออันนี้ลูกรู้จักไหมมันเป็นยังไงเออเขาทําได้ยังไงนี่เออเรามาลองกันดูไหมเนะ่ ก็หัดกันดูหัดกันดูตอนแรกก็ทําให้เขาดูก่อนต่อมาก็อา้าวถึงเวลาพอและก็ดูให้เขาทําต่อดูให้เขาทำก็บทบาทของอุเบกขาก็เป็นที่ปรึกษานะีที่ปรึกษาก็เออทําเองนะติดขัดตรงไหนก็ถามอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะอุเบกขาหมดดีไหมครับอน <laughs> นี้เลยอุเบกขายิ่งใหญ่ที่สุด แล้วลูกจะเก่งแสนเก่งเลยท่านจะเอาไงก็ได้จะให้ลูกเก่งแค่ไหนก็รู้จักใช้อเบกขาคือปัญญาต้องมาก่อนคิดพิจรารณาลูกของเราจะเก่งในโลกปัจจุบันสถานการณ์อย่างนี้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้นี่เด็กที่ดีเด็กที่เก่งในอ น, นาคตควรจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะพิจรารณานี่ก็เท่ากับวางแผนแล้วใช่แล้วก็ฝึกสีฝึกลูกเลยกาณานิอุเบกขา เอาแค่พรมวิหารสี่พออย่างพอได้ไหมฮะเอาทีนี้หันไปด้านนี่เป็นคุณธรรมพ่อแม่ต่อลูกทีนี้หันไปดูลูกเขาจะพัฒนาอย่างไรก็ให้เขาพัฒนาตามแนวที่ว่าทนใช้หลักของพระรายานะสิกขาคก็ศีลสมาธิปัญญาทั้งพฤติกรรมความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านจิตใจแล้วก็ด้านปัญญาเนี่ยให้เด็กพัฒนาทั้งสี่ด้าน เขาเรียกว่าด้านกายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาปัญญาภาวนาด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเออแล้วก็ด้านศีลภาวนาด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์แล้วก็ด้านจิตใจของเขาแล้วก็ด้านปัญญาอันนี้ก็ตอนนี้ที่ว่าอุเบกขาจะมาใช้ปัญญาดูว่าพัฒนาศี้ยานเขาจะไปยังไงแล้วก็วางแผน ที่ว่าเริ่มต้นก็อินทรีย์สังวรกสีนไงสีนก็คือความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่กันเนี่ยตาดูฟังเป็นต้นนี่ก็คือสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมก็ใช้ตาดูฟังให้มันถูกนี่ก็ฝึกทันต้นแหละก็เกิดมามีชีวิตปั๊บก็คือเริ่มต้นที่นี่ใช่ไหมเนี่ยเริ่มต้นเดินอินทรีย์นี่แหละครับเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ย ตัวแกนสำคัญของมันก็คือเจ้าอินทรีย์เนี่ยแล้วก็เป็นตัวตั้งต้นนำชีวิต เ, เด็กพอเขาเรียกก็ลืมตาใช่ไหมก็ ล, ลืมตาดูโลกก็อะไรล่ะก็ตาดูใช่ไหมก็อินทรีย์มาแล้วเนี่ยันั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่ของชีวิตเลยชีวิตของเราเนี่ยก็อยู่ที่อินทรีย์เนี่ย ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่สัมพันธ์กับโลกภายนอกก็แค่กายแต่ว่ามีใจเป็นตัวรับสุดท้ายและเป็นตัวต้นในการที่จะบอกว่าจะเอาไงใจนี้เป็นตัวสุดท้ายและเป็นตัวต้นนะตัวสุดท้ายก็คือรับเข้าไปเราไปรวมที่นั้นลงท้ายที่ใจและใจเป็นตัวต้นอีกทีพอรับเสร็จแล้วแกจะทําไงต่อก็ใจบอกแล้วกายเอยตาทํางั้นหูทํางั้นทํางั้นเนะ่ ทีนี้ตอนนี้ก็คือต้องฝึกอินทรีย์ตาดูหูฟังเป็นต้นแต่ว่าโดยเฉพาะก็คือทั้งหมดอินทรีย์สำคัญมากใช้มากก็คือตาหูนั้นถึงจงเน้นว่าตาหูสำคัญการศึกษาก็มาจากตาหูนี่ยสัมพันธ์กับโลกต้องใช้ตาดูหูฟังให้เป็นถ้าการศึกษายังจับแค่ตาหูยังไม่รู้จักเอาใจใส่ที่จะใช้ปฏิบัติให้ถูกการศึกษามันไปดีไม่ได้ นั้นทางพระท่านจึงจับที่นี่เลยนั่นก็ขึ้นต้นปับศีลก็ความสัมพันธ์กับโลกสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องด้วยตาหูเป็นต้นนั้นก็จึงบอกว่าเนี่ยให้เด็กรู้จักใช้ตาหูเพราะฉะนั้นแค่นี้ก็คือมาถึงพวกสื่อทั้งหลายใช่ไหมสื่อทั้งหลายก็เรื่องตาหูเป็นหลักใหญ่เลยนั้นให้เด็กใช้ให้เป็นก็ต้องสอนเรื่องการใช้สื่อ การใช้สื่อก็มาที่ตัวเองก็คือการใช้ตาหูจะดูทีวียังไงเนี่ยจะใช้พวกคอมพิวเตอร์ยังไงเนี่ยจะเข้าในอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆอย่างไรทำรังมาใช้ประโยชน์ควรจะมุ่งประโยชน์ในแง่ไหนอะไร่ปฏิบัติตามันใช้ให้เป็นคืออย่างไรอะไรนี่เด็กก็จะพัฒนา ก็นี่แหละอินเซียสังวรหัดเรื่องตาดูให้ใช้ให้ได้ประโยชน์หลักการก็คือว่าใช้ให้มีสติเป็นตัวกากับเหมือนกับเป็นไอตัวอะไรนะหางเสืออย่าให้ไปผิดทางถ้าผิดทางปั๊บก็ไปทางลุ่มหลงติดเพลินอยู่กับความรู้สึก ดีทีวีก็ตามเป็นอินเทอร์เน็ตอะไรก็ตามเนี่ยโดนความรู้สึกพาไปแล้วนะก็ติดหลงเพลิดเพลินสนหนุกไปแล้วก็เลยไม่ได้อะไรก็ให้สตินี่พาปัญญามาเพราะฉะนั้นอินเสียสมัตาหูก็คือว่าหนูจะใช้ทีวีจะใช้ Internet, อินเทอร์เน็ตอ่าลืมนะต้องให้ได้ปัญญาใช่ไหม อ่าแล้วก็ประโยชน์อะไรที่ตามมากับปัญญาคติอะไรต่างๆได้เรียนรู้เข้าใจอะไรต่างๆเนะี่ยเราก็ค่อยๆบอกให้รู้ว่าคือพ่อแม่ก็จะนําได้ในแง่ว่าคือเราเราบอกเขาได้ในหลักการด้วยปัญญานะว่ากั้นเด็กก็ไม่เข้าใจปัญญาเรื่องอะไรเราก็ต้องบอกว่าเออเวลานี้โลกมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเนี่ยสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ไม่ดีมีคุณมีโทษอย่างนั้น แล้วก็ไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยที่มันเป็นกันอย่างงี้ตอนนี้มันพากันไปเป็นอย่างงั้นแล้วเนี่ยในโลกนี้ใช่ไหมให้เด็กเขามองเห็นโลกโดยที่ว่าไม่ใช่โดนแล้วก็ชักนาพาไปโดยที่ไม่รู้โดยโมหะหรือมีคนอื่นที่ไม่ได้มีความปรารถนาดีเนี่ยมาแสดงโลกให้แล้วก็พาลุ่มหลงพาอะไรต่างๆไปนี่พ่อแม่นี่เป็นผู้ที่จะต้องมาคุมอีกชั้นหนึ่ง ก็จะช่วยไม่ใช่แค่คุมอะหมายความว่าช่วยแนะแนวทางให้เขาเดินไปถูกทางให้รู้ว่าเออเวลานี้เนี่ยยังพอดูทีวีปับ๊บเหตุการณ์ข้างโลกเราก็มองกว้างไปว่ามันเป็นอย่างนี้เรื่องอย่างนี้ได้เกิดโทษขึ้นอย่างนั้นนะเรื่องอย่างนี้มีประโยชน์อย่างนั้นเด็กก็จะได้จับจุดถูกว่าเวลาดูแล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์อย่างไรไม่ใคร ก, ก็รุ่มหลงไปตามที่เขาจะชักนําไปดูแล้วไม่ได้ประโยชน์ รุ่มหลงอย่างเดียวหรือบีไม่ดีก็เควกไปเสียเลยนั้นถ้าพ่อแม่รู้จักเป็นกาลยาณ์นั้นก็คือตอนที่เด็กใช้ตาดูฟังเป็นต้นเนี่ยช่วยช่วยบอกช่วยเป็นเพื่อนไปได้กันเนีเอ อ, เ, อ, อเราคุยไปได้โดยเขาไม่ต้องรู้ตัวไหวนีนเป็นอย่างงี้งี้แล้วก็เรื่องนี้มันเคยเกิดมีมาอย่างงี้แล้วมันเกิดโทษอย่างนั้น อันนี้มันเกิดดีและมันดีไปยางนั้นยางงั้นเด็กก็เห็นแนวทางว่าครูจะเอาอันไหนไปทางไหนใช่หมอย่างนี้เป็นต้นในอินทรียสังวรแล้วก็มาเรื่องอีกอันก็คือปัจจัยปฏิเสวนาหรือทางพระเรียกว่าปัจจัยสนิทศิตธศีลเรียกปัจจัยปฏิเสวนานี่ง่ายกว่าก็คือการเสพปัจจัยการใช้สอยบริโภคนั่นเองการกินอยู่เรื่องของ อาหารเครื่องหนุนงอมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคปัจจัยสี่แล้วก็เรื่องของสิ่งของเครื่องใช้ทั้งหลายเนี่ยนะนะก็ต้องเนี่ยปฏิบัติต่อมาให้ถูกให้เด็กคือชีวิตประจารําวันมาเริ่มที่นี่เท่านั้นแนหะตาดูฟังอะไรนั้นแล้วก็มาเรื่องการเสพการใช้บริโภคสิ่งต่างๆเนี่ยให้กินเป็นเออกินยังไงกินเป็นกินให้พอดีอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงบอก แก่พระเจ้าปเนสติกศลรู้จักประมาณนะ<ม>อะไรอย่างเงี้ยก็นี่แหละครับอย่างเงี้ยก็คือการศึกษาในบ้านเลยซึ่งสำคัญยิ่งกว่าโรงเรียนอีก<ม>กินเป็นใช้เป็นมีสิ่งของเครื่องใช้อะไรเสื้อผ้านี่เราใช้เพื่ออะไรนะหัดให้เด็กตอบมีคำถามเออไม่เคยคิดแต่งตัวเพื่ออะไรเนี่ยเออเพื่ออวดโก้แสดงฐานนะ เรารวยถึงได้มีเครื่องพายอย่างนีออ้ใช่หรือเปล่าทีนี้ก็คุยกันเด็กอว่าถูกไหมเนี่ยที่เขาแต่งเพื่อจะอวดฐานะกันเนี่ยเออแล้วต้องแต่งสวยงามแพงๆเงี้ยถูกไหมให้คิดเออทีนี้เด็กอาจจะตอบแขวะไปตามนิยมเราก็จะได้มีโอกาสบอกก็บอกเนี่ย ลองคิดดูถ้าคนคิดกันอย่างงี้นะเป็นไงโลกนี่ก็จะเบียดเบียนกันว่อย่างงั้นอย่างนี้ดูถูกดูมินไม่เอาใจใส่กันเราก็พนันนาให้เห็นโทษว่าแล้วก็เอาตัวอย่างดีมาว่าเขาปฏิบัติต่อเรื่องเครื่องหนุ่นหม่มอย่างนั้นนี่พระพุทธเจ้าก็สอนไว้จริจริงประโยชน์ที่แท้ของมันมีแค่ไหนเนี่ยเรานุ่งห่มนี่ที่แท้เพื่ออะไรใช่ไหมเด็กกค็ค่อยคิดเดี๋ยวก็ออกเราก็ค่อยค่อยมาช่วยบอก เออมันเพื่อให้ความอบอุ่นบ้งางเพื่อกันหนาวกันร้อนกันแดดกนันฝนหรืออะไรก็ว่าไปกันละอายอะไรเพื่อสสังคมแล้วก็เป็นสิ่งแวดล้อมให้ที่ดีให้แก่เพื่อนมนุษย์เออเพราะฉะนั้นเราอย่าไปมัวติดไอ้งั้นหนูเขาเรียกว่าติดสมมติหลงสมมติแล้วมันเสียเนี่ยเรามีปัญญาเราต้องพัฒนากว่านั้นเราต้องเข้าใจประโยชน์ที่แท้ของมันเนี่ยใช้เสื้อผ้านี่ก็เพื่ออย่างเงี้ย ประโยชน์ทช่มันอยู่แค่นี้ไออันนั้นเขาเรียวกว่าคุณค่าเทียม mm. นะไม่เราต้องรู้ว่าสมมติกันขึ้นมาแล้วก็จะไปหลงมันรู้เท่าทันเราก็เอาประโยชน์ที่แท้ได้นะแล้วก็เนี่ยเราแต่งตัวเพื่ออะไรเรากันละอายปิดกัน เ, เรื่องหนาวร้อนอะไรแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมนุษย์เราทุกคนเนี่ยก็เหมือนกับสิ่งทั้งหลายเราเป็นสิ่งแวดลองมของกันและกัน เราก็มีความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์เราเองเราก็ปรารถนาอย่างนั้นเราก็อยากจะเห็นอะไรที่มันเรียบร้อยงดงามสะอาดตาเราก็สบายใจคนอื่นก็เช่นเดียวกันเพื <T> ่อนมนุษย์แต่ละคนก็เป็นสิ่งแวดล้อมของกันและกันเราแต่งตัวนี่ทุกคนเราก็แต่งตัวไปแล้วก็เป็นสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้อื่นถ้าเราแต่งตัวไม่ดีมันก็เป็นสิ่งแวดล้อมไม่ดีพาจิตใจเขาไม่ดีไปด้วยเป็นอกุศล เราแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยสะอาดหมดจดเออจิตใจของเขาเห็นเราเราก็เขาก็สบายใจด้วยเราครับเป็นไงตายเลยเนอะเอาแล้วก็แปลว่าสิ่ ง, งแวดล้อมที่ดีอย่างนี้ดีไหมฮะเด็กจะได้เห็นเหตุผลในการที่เป็นอยู่เนะี่ยนี่แค่ปัจจัยสี่ทั้งการอธิบายไปสิ่งแวดล้อมที่อยู่สายแต่ละอย่างประโยชน์ที่แท้คุณค่าแท้มันคืออะไร จับให้ได้นั่นก่อนคุณค่าเทียมเรื่องสมมติเรารู้ทันแล้วปฏิบัติให้พอเหมาะอย่าไปหลงนะพอเห็นทางมาฮ <c oughs> <c oughs> ะเดี๋ยวว่าท่านต้องถามเจาะจุดอีกทีหนึ่งว่าต้องการให้พูดเรื่องอะไรทีแต่วันนี้ก็ว่าไปก็ยืดหยาดแล้วนะยาวกันใหญ่ท่านเตือนแล้ว <c oughs> <c oughs> เอออเดี๋ยวจะมืดแล้วเดี๋ยวยุงจะมา เออที่สองอะไรเออเรื่องไหนเรื่องอะไรนะอ๋ออ๋อา๋ออาออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออตออ๋ออ๋่อ๋ออ๋ออ๋่อ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋กอ๋อม๋ออ๋ออ๋ออ๋กอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋อ่๋ออ๋อออออ ครอบครัวสามีพัญญาบุตธิดาทำไงจะได้ไปเกิดหน้าชาตินหน้าพบกันอีกอา้าวแล้วทางนั้นวันนี้ก็อนุโมทนาทรรมนิก่อนนะเอออ้าวละ